ตามพรนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานแปลความหมายของคำว่ากระสือไว้บอกว่ากระสือเนี่ยเป็นผีชนิดหนึ่งนะคะที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิงแล้วก็ชอบกินของโสโรครกโดยผีกระสือก็ต้องคู่กับผีกระหังซึ่งเป็นผีผู้ชายค่ะ สำหรับกระสือในทางวิทยาศาสตร์คือแก๊สมีเทนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของสารอินทรีย์แล้วก็ติดไฟในอากาศเป็นแสงวอบแวบในที่มืดหรือว่าโคมชนิดหนึ่งที่มีการเปิดปิดไฟมีแว่นฉายแสงส่องไปได้ไกลนะคะในอดีตเคยมีความเชื่อกันค่ะว่ากระสือคือพูดชนิดหนึ่ง วิบากกรรมที่ทำให้เป็นพูดตอนเป็นมนุษย์ชอบหากินในทางมีชอบก็คือชอบหลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นการนำของปลอมมาหลอกขายเป็นของจริงหรือว่าของโบราณค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามตายแล้วก็ต้องไปเป็นเปรตก่อน มีความหิวโหยมากชอบกินของบูดของเน่าเพราะว่าวิบากกรรมมีพฤติกรรมสกปรกโลภมากอยากได้ทรัพย์สมบัติของผู้อื่นในทางมิชอบพอพ้นจากสภาพเปรตนะคะหากว่ากรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นพูดค่ะจะกินได้ก็เฉพาะของสกปรกของคาวของเน่าเหมน็นโดยจะเข้าสิงได้เฉพาะบุคคลที่มีวิบากกรรมเหมือนที่ตัวเองเคยทาตอนเป็นมนุษย์ มันถึงจะดูดไปมาหากันได้ไม่ใช่อยากจะไปเข้าสิงใครก็ไปเข้าสิงทั้งนี้นะคะพูดลักษณะที่มีรูปร่างคล้ายๆกับผีแต่ว่ามีฤทธิ์มากกว่าคือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้แต่ว่าผีแปลงกายไม่ได้นะคะพูดบางตนแปลงได้มากบางตนก็แปลงได้น้อยบางพูดก็แปลงได้2 3ถึงอย่างแล้วก็4อย่างแต่ว่าบางพูดค่ะเป็นได้แค่หมาดาตัวใหญ่ บางพูดก็แปลงเป็นงูแปลงเป็นลิงเป็นต้นนะคะซึ่งพูดจะมีชีวิตสิงอยู่ที่มนุษย์นะคะก็เหมือนกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่างๆยิ่งนานไปก็จะยึดร่างของมนุษย์แล้วก็จิตใจของมนุษย์ผู้นั้นเหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นครอบคลุมต้นไม้ พวกนี้ก็จะชอบที่มืดค่ะไม่ค่อยชอบแสงสว่างแต่ว่าไม่มีหัวแล้วก็ไส้ตามที่เข้าใจนะคะจะถอดจิตของเจ้าของร่างออกขณะเจ้าของร่างนอนหลับเมื่อถอดไปแล้วค่ะเจ้าของร่างก็ไปไหนไม่ได้จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มนะคะลอยขึ้นขึ้นลงลงเพื่อหาอาหารกิน ดวงนั้นก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมแล้วถูกบังคับให้ออกมาโดยพูดเนี่ยก็จะหุ้มเอาดวงจิตนั้นไว้ซึ่งมนุษย์จะเห็นเป็นเพียงแค่ดวงไฟลอยไปมาเท่านั้นแต่ว่ามองไม่เห็นตัวพูดนะคะเช่นเดียวกันกระสือก็ชอบกินของสกรปรกของข้าวของเหม็นเน่าเวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นพูดก่อนก็จะมีรูปร่างคล้ายกันกับคนผมๆดำๆหน้าเกลียดหน้ากลัวไม่นุ่งเสื้อผ้า แต่ว่าคนจะมองเห็นเป็นแค่ดวงไฟแต่ว่าตัวก็จะแปลงพรึบขึ้นมาเลยนะคะมันก็จะเป็นกึ่งหยาบกึ่งละเอียดแล้วก็กินของเน่าสกรปรกด้วยความอร่อยอร่อยเพราะว่าวิบากกรรมบังคับอะค่ะกินเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็ทิ้งร่องรอยสกรปรกไว้ มีความเชื่อกันนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าเอาผ้าที่กระสือเช็ดปากไปพาดที่บันไดจะทําให้คนที่เป็นกระสือเกิดอาการปากบวมหรือความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปต้มค่ะก็จะเกิดให้มีอาการคนที่เป็นกระสือเนี่ยปวดแสบปวดร้อนที่ปากนะคะแต่ก็มีบางประวัติกล่าวไว้เช่นกันค่ะบอกว่าผีกระสือจะสิงเด็ดขาด แค่ในผู้หญิงแล้วก็ในช่วงเวลากลางวันนะคะก็จะมีร่างเหมือนผู้หญิงทั่วไปมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายกับคนป่วยแต่ว่าเมื่อตกกลางดึกนะคะวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจก็จะบีบเค้นให้ศีรษะแล้วก็อวัยวะให้หลุดออกมาจากร่างลอยออกไปล่าเหยื่อกินวัวกินควายกินสัตว์เล็กๆประเภทกบประเภทเขียดแต่ว่ามักจะหลบคนค่ะและไม่ทําร้ายคนนอกจากจะจนมุมแล้วจริงๆนะคะ กระสือชอบกินเครื่องในค่ะโดยเฉพาะไส้แบบส ด, สดจากนั้นก็จะไปเช็ดปากตามผ้าที่ตากไว้ตามบ้านต่างๆนอกจากนั้นนะคะผีกระสือก็ยังชอบกินอีกอย่างหนึ่งคือชอบกินอุจจระค่ะเนื่องจากว่าคนสมัยก่อนจะไม่มีส้วม แต่ว่าก็จะใช้วิธีการขุดหลุมนะคะเพื่อที่จะทำให้เป็นซุ่มชั่วคราวก็ทำให้ผีกระสือเนี่ยสามารถที่จะไปกินอุจจาระได้ง่ายไดย้จนชาวบ้านทนไม่ไหวนะคะก็ต้องให้หมอผีมาปราบแต่ว่าการปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ออกจากร่างของเหยื่อเคราะรายได้เพราะว่าวิญญาณ น, นั้นได้อย่างลึกลงในจิตใจของคนคนนั้นฉะนั้นการปราบกระสือก็เท่ากับว่าต้องฆ่าคนคนนั้นตายไปด้วยนะคะ สำหรับลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกระสือก็คือจะมีดวงไฟวูบว่าอยู่ที่หัวใจซึ่งเชื่อกันว่านั่นคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเคราะหร้ายเมื่อมองจากที่ไกลๆ ก, ก็จะเห็นเป็นดวงไฟเขียวๆสองแสงสลัวในความมืด พีกระสือนั้นมีความรอบคอบพอดูเลยล่ะค่ะเพราะเมื่อออกจากร่างไปหากินเขาก็จะคาบพ่อห่มมาคลุมร่างไว้ที่เป็นร่างไร้ศีรษะไว้นี่ฮะก่อนที่จะเดินทางออกไปหากินร่างของเขานั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ พูดตรงๆก็คือกลายเป็นศพอยู่ขณะหนึ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหัวนะคะหรือว่าอวัยวะนะคะคือได้หลุดออกไปจากร่างกายหมดแล้วร่างนั้นก็จะสงบนิ่งอยู่จนกว่ า, าหัวกับไส้เนี่ยจะกลับมาเข้าที่เดิมนะคะ ผู้เฒ่าผู้แก่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกระสือวายว่านะคะผีตัวนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่โบราณแล้วเป็นผีผู้หญิงที่ยามปกติก็ใช้ชีวิตปะปนกับผู้อื่นในสังคมเกลียดแล้วก็กลัวแสงแดดแต่ว่าตกดึกนะคะจะถอดหัวกับไส้ออกจากร่างไปหากินโดยปรากฏเป็นแสงไฟสีเขียวที่ล่องลอยจากฟากฟ้ายามค่าคืน ของที่ผีพวกนี้ชอบกินก็คือของเน่าเสียหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่กระสือชอบเป็นพิเศษเลยนั่นก็คือรกเด็กนะคะ เพราะฉะนั้นสมัยโบราณเมื่อบ้านใดที่มีหญิงตั้งทันชาวบ้านก็มักจะเชื่อกันแล้วค่ะว่ากระสือจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อกินรกเด็กอย่างแน่นอนก็เลยมักจะนําปลายไม้ไผ่แหลมๆหรือว่าสิ่งของมีคมต่างๆมาล้อมรอบบ้านไว้เพราะเชื่อกันนะคะว่าเป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดเพราะเมื่อใดก็ตามค่ะที่กระสือนั้นเข้าไปใกล้สิ่งของแหลมๆเหล่านั้นไส้อันระยองระยางของมันก็จะไปเกี่ยวกับไม้แล้วก็เป็นการยากนะคะ ที่จะเออๆได้ส่วนการสืบพันธุ์ของกระสือนั้นนะคะว่ากันว่ากระสือเนี่ยสืบทอดทายาตโดยการให้ผู้อื่นนะคะที่ตนเองเนี่ยต้องการให้เป็นทายาตกินน้ําลายของตัวมันเองแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นกระสือไปทีละน้อย จนนานวันเข้าค่ะก็กลายเป็นทายาทกระสือไปซึ่งปัจจุบันนะคะก็ไม่มีข้อมูลว่ามีผู้พบเห็นผีตัวนี้อยู่หรือไม่หรือว่ากระสืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ถูกกระแสะเวลาเปลี่ยนไปนะคะ ในต่างประเทศก็มีกระสือเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นในแถบมาเลเซียค่ะยังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกันกับกระสือของประเทศไทยซึ่งผีกระสือของมาเลเซียมีชื่อเรียกว่าฮันตูปินังกาลันค่ะโดยมีเรื่องเล่านะคะว่ามีครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกวันหนึ่งในตอนกลางคืนค่ะผู้เป็นพ่อได้ออกไปทุระนอกบ้านผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ในห้อง แล้วนางเองก็หยิบเอาขวดน้ำมนมาทารอบคอสักพักหนึ่งหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินก็จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองแล้วก็มีเสียงดังสู้สู้อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพวงไส้ของนางนั่นเองค่ะผู้เป็นลูกนะคะก็ได้แอบเห็นดังนั้นก็เลยลองเอาน้ำนของแม่เนี่ยมาทาคอของตัวเองดูบ้าง ขณะที่หัวกําลังจะแยกออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัวค่ะร้องโวยวายออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหัวของฉันกําลังจะหลุดออกจากตัวแล้วชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ว่าไม่มีใครกล้าเยี่ยมหน้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือเลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมาเสียงร้องโวยวายก็เงียบลงนะคะหลังจากวันนั้นครอบครัวนี้ก็ย้ายหนีไปและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยค่ะ คุณผู้ฟังรู้จักผีกระสือมาพอสมควรแล้วแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของผีกระาสือเราฟังในเรื่องราวของผีกระาสือกันไปแล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่ากระาสือก็ต้องคู่กันกับกระหังนะคะ เรามาพูดถึงเรื่องของกระหังกันสักเล็กน้อยนะคะตามความเชื่อพื้นบ้านค่ะก็บอกว่ากระหังเนี่ยจะเป็นผีที่เป็นผู้ชายสามารถบินได้โดยใช้กระด้งฝัดข้าวลักษณะก็คล้ายกันกับปีกโผบินค่ะแล้วก็นั่งบนศักกระเบือต่ำข้าวควบคู่กันนะคะเชื่อกันว่าผู้ชายที่ไปเรียนวิชาอาคมแก่กล้า ม, มากเข้าแล้วเกิดทําผิดครูค่ะก็จะมีปีกที่เป็นปีกเล็กๆ เ, เ, เท่าเส้นขนแล้วก็หางที่สั้นติดกันกับก้นจะมีปีก ที่หางจะไปไหนก็ต้องใช้กระด้่งต่างบินสากตำข้าวต่างขาสากกระเบือต่างหางแล้วก็ชอบกินของโศกโรกเช่นเดียวกันกับผีกระซือนะคะโดยส่วนมากนะคะผีกระหังเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าสมัยก่อนผู้ชายมักจะนิยมเรียนวิชาอาคมไว้ป้องกันตัวจากพวกผีป่าผีพโพรงเวลาเข้าป่าล่าสัตว์ กระหังในตอนกลางวันก็มักทําบุคลิกเช่นเดียวกันกับคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเราก็สังเกตได้ยากเหมือนกันแต่ก็จะสามารถสังเกตได้จากตานะคะเมื่อต้องกับแสงไฟก็จะสะท้อนเป็นสีแดงซึ่งต่างจากสัตว์ป่าที่เป็นสีเขียวหรือว่าสีฟ้ากระหังกลัวแสงเช่นเดียวกันกับกระสือปิดบางส่วนก้นไว้เพราะไม่อยากให้ผู้ใดรู้ว่ามีหางสั้นเพราะจะรู้ว่าเป็นกระหังค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วตามความเชื่อนะคะการที่จะเป็นกระหังได้นั้นไม่ยากนะการเป็นกระหังเกิดจากหนึ่งเลยคือการผิดครูผิดครูคือผิดคําสัญญากับครูบาอาจารย์ในทางของเวทมนต์เช่นต้องห้ามกินอาหารที่เป็นบวบห้ามเดินลอดสะพานการผิดครูจะทำให้เกิดการเป็นกระหังประเภทหนึ่งเรื่องของผีกระหังนั้นไม่ค่อยมีคนรู้มากนักนะคะเห็นว่าจะเป็นเพราะไม่มีคนเห็นกันบ่อยนั่นเอง ก็จะรู้แค่ว่ากระหังนะคะมีลักษณะหรือว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไรแค่นั้นเองนะคะก็คือกระหังเนี่ยจะเป็นผีตระกูลเดียวกันกับกระสือค่ะแล้วก็เป็นผีที่มีลักษณะแปลกประหลาดอย่างมากเลยนะคะซึ่งกระหังนั้นยามกลางวันก็จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมแต่ว่าพอตกกลางคืนค่ะมันจะกลับกลายร่างเดิมของมันเต็มตัว กระหังมีลักษณะแปลกประหลาดเป็นพูดพลายมันมีกระด้งใบใหญ่ใส่แขนทั้งสองข้างของมันกระดงนั้นทำให้มันมีอิทธิฤทธิ์สามารถบินไปในท้องฟ้ายามค่ำคืนได้และเจ้ากระหังนี้ก็มีสากตำข้าวเป็นอาวุธประจำกายก็คงจะเอาไว้ต่อสู้กับผีประเภทอื่นๆหรือว่าป้องกันตนจากพ่อมดหมอผีนะคะตามความเชื่อ โดยปกติแล้วนะคะยามที่มันใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้สา ก, กระเบอือเนี่ยมันจะเหน็บไว้ที่หว่างขาเออประหลาดดีแฮะส่วนการสืบทอดทายาทของกระหังนั้นก็ไม่แน่ชัดเหมือนกันค่ะว่าจะมีวิธีเช่นเดียวกันกับผีกระสือซึ่งเป็นญาติของกระหังหรือเปล่า สิ่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ส่วนอาหารการกินของกระหังค่ะชอบกินสิ่งโสโครกเป็นอาหารเหมือนกันกับญาติของมันแต่อาจจะกินเลือดคนด้วยก็ได้ตามใจของมันต้องการปัจจุบันนี้นะคะกระหังก็หายไปจากสังคมไทยแล้วก็ไม่มีใครเจอมันอีกเลยนะคะมีอยู่ข้อหนึ่งค่ะที่แปลกก็คือทั้งๆ ท, ที่กระหังก็มีหางอยู่แล้วนะแต่ว่าทาไมยังต้องใช้สากอีกชั้นหนึ่ง บางทีนะคะหางเดิมของมันอาจจะสั้นไปก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องราวของผีกระหังนะคะก็ไม่เคยได้ยินว่ามาทำร้ายผู้คนหรือว่าทำอันตรายให้กับผู้คนให้ได้ยินให้ได้ฟังกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกตำนานหนึ่งนะคะเป็นตำนานที่เชื่อว่าหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาจากทางแชนแนลอื่นหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะนั่นก็คือคำสาบ นางมัซรีหรือว่าเกาะต้องคํำสาบนะคะเกาะต้องคํำสาบแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะลังกาวีค่ะเกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลเซียซึ่งก็เชื่อกันว่ามีตำนานที่เล่าขานกันมาถึงเจ้าหญิงอาชายารัชทายาทซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ200กว่าปีมาแล้วนามว่ามัซรีซึ่งเป็นผู้หญิงคนไทยลูกหลานชาวภูเก็ตนะคะพ่อกับแม่ของพระนางมัซรีเนี่ยก็มีอาชีพค้าขายทางเรือเรื่อ ระหวางภูเก็ตกับเกาะปีนังจนกระทั่งวันหนึ่งได้ตั้งท้องแล้วสินแสก็ได้ทํานายทายทักนะคะบอกว่าเด็กในท้องเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีบุญญาที่การสูงเป็นคนดีที่มีคนเคารพนะคะแล้วก็พ่อของแม่พระนางเชื่อในคําทํานายของสินแสประกอบกับการค้าขายที่ผ่านมาไม่สามารถสร้างความร่ํารวยเหมือนคนอื่นเขาสาเหตุเพราะว่าไม่มีเรือสำเภาเป็นของตนเองนั่นเองค่ะก็ต้องอาศัยเช่าเรือคนอื่นทําให้มีผลกําไรนอ้อย จนไม่สามารถทำให้ร่ำรวยขึ้นมาได้อีกทั้งเด็กหญิงมัสุรีที่เกิดมาก็น่ารักน่าชังค่ะพ่อและก็แม่ของพระนางมัสุรีก็เลยขายข้าวของทั้งบ้านและที่ดินจนหมดเพื่อลงทุนซื้อเรือแล้วก็สินค้าไปขายที่เกาะปีนงังแต่ว่าในที่สุดนะคะขณะที่พระนางมัสุรีอายุได้7ขวบระหว่างเดินเรือกลางทะเลก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นด้วยความเป็นห่วงลูก พ่อแม่ก็ได้เข้ามาโอบกอดลูกกลัวจะตกทะเลไปทำให้ทิ้งการควบคุมใบเรือแล้วก็หางเสือก็เลยทำให้เรือเนี่ยล่มกลางทะเลทุกคนตกลงสู่ทะเลนะคะด้วยความเป็นห่วงลูกค่ะก็เลยอธิษฐานว่าหากเด็กคนนี้มีบุญญาธิการจริงก็ขอให้รอดพ้นจากการจมน้ำด้วยเถิดทั้ง3าแม่ลูกจึงรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์ไปติดที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะนั้นก็มีชื่อว่าเกาะลังกาวีที่แปลว่านกอินทรีสีน้าตาลนั่นเองค่ะ บนเกาะลังกาวีนั้นนะคะมีคนมาเลเซียพื้นเมืองเดิมค่ะมีสุรต่านปกครองชาวประชาเหมือนรัฐอื่นๆในแถบคาบสมุทรมาลายูสามพ่อแม่ลูกจึงเดินทางเข้าไปโดยไม่ได้รับการต้อนรับจากชนพื้นเมืองนักนะคะก็เดินทางไปยังใจกลางเกาะซึ่งเป็นป่ารกทึบ ป, ปัจจุบันนี้นะคะป่ารกทึบแห่งนั้นก็เป็นที่ตั้งของเรือนใกล้สุสานของพระนางมาสุรีพ่อของพระนางจึงได้ตัดเอาไม้บริเวณนั้นสร้างกระท่อมเล็กๆ เ, เพื่ออยู่อาศัยนั่นเองค่ะ จนกระทั่งเกิดวิกฤตภัยแรงอย่างหนักทั่วทั้งเกาะไม่มีแม้กระทั่งน้ำแม้แต่หยดเดียวบนเกาะแห่งนี้ผู้คนก็เดือดร้อนไปทั่วบ้านก็อบพยพหนีไปอยู่ที่อื่นเทือกส่วนไร่นาสัตว์เลี้ยงเสียหายหมดด้วยความที่เด็กหญิงมัุรีนะคะเป็นเด็กฉลาดค่ะ แล้วก็ได้ยินพ่อแม่เล่าให้ฟังอยู่เสมอว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กที่มีบุญญาที่การนะเด็กหญิงมัสุรีก็เลยยกมือสองมือระดับหน้าอกลักษณะเหมือนจะเป็นการเหนียดหรือว่าอธิษฐานจากพระเจ้าเป็นการขอพรแบบอิสลามนะคะว่าได้โปรโดเถิดพระเจ้าหากข้าพระเจ้ามีบุญญาที่การจริงขอพระเจ้าได้ประทานแหล่งน้ําให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดระหว่างอธิษฐานค่ะก็ไปสะกิดก้อนกรวดทําให้พบกับตาน้ําไหลออกมาก็เลยเรียบไปบอกพ่อแล้วก็แม่พ่อแม่ก็เลยลง มือขุดเป็นบ่อน้ําแล้วเด็กหญิงมสัสรีนะคะขอให้พ่อแม่ไปแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทราบและกล่าวว่าทุกคนในเกาะ น, นี้เนี่ยสามารถมาตักน้ําไปดื่มกินได้เลยพ่อข่าวลือพวกนี้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งเกาะก็มีผู้คนมากมายเข้ามาดื่มกินน้ําแล้วก็นํากลับบ้านโดยคุณสมบัติพิเศษของน้ําในบ่อ น, นี้นะคะคือเมื่อคนไข้นําไปดื่มกินก็จะหายจากโรคร้ายก็เลยลือกันค่ะว่าเป็นบ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์ พระนางมัซุรีนั้นเป็นเด็กที่ขยันเด็กที่ดีของพ่อแม่ช่วยเหลืองานบ้านงานเรือนซื่อสัตย์เชื่อฟังพ่อแม่และที่สําคัญพระนางเองไม่เคยพูดโกหกแม้แต่นิดเดียวกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตนะคะทุกวันเมื่อพ่อกับแม่กลับมาถึงบ้านมัซุรีก็จะถือขันน้ําสําหรับพ่อแล้วก็แม่ดื่มเพื่อแก้กระหายในมือข้างขวาส่วนมือซ้ายค่ะพระนางมัซุรีจะถือไมเรียวสําหรับคอยรายงานนะคะว่าตนเองทําอะไรผิด หรือว่าพ่อจะลงโทษหากพ่อไปได้ยินใครเขาฟ้องอะไรพ่อซึ่งเป็นที่ร่ําลือของชาวบ้านยามใดที่ผู้คนายากไร้หรือว่าขอทานผ่านมาก็มักจะชวนกันเข้ามาบ้านของพระนางมัสุรีแล้วก็พูดคุยด้วยโอภาปราศัยให้ทานเป็นน้ําเป็นข้าวปลาอาหารสม่ําเสมอจนกระทั่งลูกสาวหรือว่าเด็กหญิงมัุรีเนี่ยโตขึ้นมาเป็นสาวสวยนะคะก็มีรูปสวยงามที่สุดบนเกาะลังกาวีเลยนะคะ จนในที่สุดค่ะความงามและความมีน้ำใจของหญิงไทยผู้นี้ดังกระชอนไปถึงหูของวันดารุษโอรสของสุรตานผู้ซึ่งปกครองเกาะลังกาวีแห่งนี้ด้วยความสนพระัทยวันดารุตก็เลยปลอมตัวเป็นขอทานมาขอข้าวแล้วก็ขอน้ำที่หน้าบ้านของพระนางมสัสรี ก็เช่นเดิมอะค่ะพระนางมัซุรีเองก็ต้อนรับขับสู้เอาน้ำเอาข้าวมาให้กินนะคะให้สุรต่านเนี่ยคราบขอทานเนี่ยได้อิ่มนะคะก็เป็นที่พอพระทัยอย่างยิ่งวันดารุษ ท, ทำอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทั้งสองเกิดความรักซึ่งกันและกันโดยที่พระนางมสุรีเองก็ไม่ล่วงรู้เลยว่าผู้ชายที่ตัวเองกาลังหลงรักอยู่นั้นเนี่ยคือรัชทาญาตผู้ปกครองเกาะลังกาวี วันดารุธก็เลยตัดสินใจบอกกับพระมันดาค่ะว่าพบหญิงที่รักหญิงที่ชอบและคิดว่าเหมาะสมกับตนแล้วอยากแต่งงานมีครอบครัวสักทีก็เลยขอวอนให้พระมันดาเนี่ยช่วยไปสู่ขอพระมันดาดีใจมากค่ะเพราะว่าอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีเพราะว่าพระมันดาอ่าก็อยากจะอุ้มหลานเต็มทีแล้วนะคะ ก็เลยได้ถามวรรดารุธบอกว่าเธอคนนั้นเป็นลูกเต้าหรือเชื้อพระวงศที่ไหนวันดารุธก็เลยเล่าความตามที่เตรียมไว้และเมื่อพระมันดาทราบว่าเธอเป็นหญิงสาวลูกชาวบ้านแถมยังเป็นคนไทยที่อพยพมาจากภูเก็ตไม่มีหัวนอนปลายเท้าพระมันดาก็ออกก่าออกปากปฏิเสธทันทีนะคะเพราะว่าเธอเป็นคนไทยหรือว่าเพราะเหตุใดก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ตามตำนานไม่ได้แจ้งไว้นะคะในที่สุดค่ะ เจ้าชายวันดารุธก็เลยใช้วิธียื่นคำขาดกับพระมารดาโดยบอกพระมารดาว่าหากไม่ดำเนินการไปสู่ขอประนางมัสุรีตามความต้องการของตนหลักศ า, ศาสนาอิสลามผู้ปกครองต้องเป็นผู้สู่ขอให้นะคะมิเช่นนั้นตนจะปลิดชีพตัวเอง พระมารดาด้วยความรักลูกอะค่ะกลัวลูกชายจะฆ่าตัวตายก็เลยต้องยินยอมไปสู่ขอพระนางมัตสุรีแต่โดยดีแต่ว่าในใจนั้ น, นก็ยังผูกพยาบาทกโกรธเคืองพระนางมัตสุรียิ่งนักจึงคิดนะคะว่าจะกำจัดพระนางเมื่อศบโอกาสพิธีอภิเษกสมรสเกิดขึ้นท่ามกลางความชื่นชมของชาวเกาะลังกาวีเพราะมีว่าที่พระมเหสีที่สวยและมีน้าใจเป็นที่รักของคนทั่วไป ยกเว้นพระมารดาพระองค์เดียวแหละนะคะที่คอยกลั่นแกล้งเธอเสมอมาเมื่อวันดารุธไม่อยู่วงังก็ใช้ทำงานสารพัดสารเพเพื่อให้สาสมกับที่แย่งความรักจากวรนดารุธไปจากตนจนกระทั่งพระนางมสัสรีตั้งครรค่ะและคลอดบุตรเป็นชายวันดารุธดีใจมากที่มีรัชทายาทกับพระนางมสัสรีพร้อมตั้งชื่อว่าวันหาเกม วันฮาเกมเนี่ยคลอดได้เพียงแค่3วันวันดารุธก็ต้องลาไปออกศึกค่ะเพราะว่าขณะนั้นเกิดสงครามจากการขยายอำนาจของสยามเพราะว่าเกาะลังกาวีส่วนหนึ่งนะคะเป็นของไซบุรีประเทศสลาชของสยามวันดารุธก็เลยต้องจัดทัพไปออกศึกในครั้งนี้ด้วย ก่อนไปค่ะด้วยความรักและห่วงใยภรรยาที่กำลังตั้งท้องวันดารุจึงได้มอบหมายให้องค์ัก์คู่ใจมีฝีมือแล้วก็เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กให้มาช่วยรับใช้พระนางมัุรีระหว่างที่ตนเองไม่อยู่นะคะโดยประกาศไว้ว่าหากใครกล้าแตะต้องพระนางมัุรีกับบุตรชายหรือขัดขวางการทำหน้าที่ขององค์ครร์พระนางผู้นั้นมีโทษประหารสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้น ก็เลยออกเรือเดินทัพไปร่วมศึกในครั้งนั้นนะคะด้วยความเกลียดชังและอิจฉาริษยาของพระมานดาค่ะทันทีที่วันดารุดออกเรือพระมานดาก็เลยประกาศสั่งให้ข้าทาสบริวารในวังทั้งหมดหยุดทำงานและสั่งให้พระนางมัสสุรีทาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นทั้งหมดเลยนะคะทางด้านพระนางมัซสุรีแทนที่จะต่อต้านเพราะว่าเป็นถึงพระมเหสี ด้วยความรักในสามีก็เลยต้องยอมทำตามคำสั่งของพระมารดาแต่โดยดีแม้ว่าองครักษจะทัดทานหรือขออาสาทำงานทุกอย่างแทนด้วยใจหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งความดีจะชนะใจแม่สามีได้จนกระทั่งฝ่ายองครัก์ทนดูไม่ได้ค่ะจึงก้มลงกระดาบแทบเท้าพระนางและจะไม่ยอมลุกขึ้นหากพระนางมัศรีไม่ยอมให้ช่วยทางานแทนพระนางจึงยินยอมในที่สุดนะคะ ฝ่ายพระมารดาเมื่อทราบเรื่องค่ะก็โกรธมากเลยบอกว่าองครักษ์เนี่ยเข้าช่วยเหลือเห็นทีจะต้องกำจัดทั้งสองคนแล้วโดยได้สั่งให้บริวารเนี่ยไปเฝ้าดูเพื่อจับผิดและหาเรื่องใส่ร้ายพระนางมัสุรีให้จงได้จนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นก็มาถึงค่ะพระนางมัสุรีเอาผ้าคลุมฮิยับหรือว่าผ้าคลุมศีรษะยื่นให้องครักษ์เช็ดหน้าเช็ดตาในขณะที่กำลังตรากตรำทำงานหนัก และบริวารสายสืบของพระมานดาเห็นเข้าก็เลยนำเรื่องนี้ไปรายงานพระมานดาซึ่งพระมานดาเองหูรู้สึกดีใจสะใจมากพร้อมสั่งให้ทหารไปจับคนทั้งสองคนแล้วก็ป่าวประกาศไปทั่วเกาะบอกว่าพระนางมัสุรีมีชู้กับองค์คารักษ์ทาให้เสื่อมเสียพระเกียรติแก่ราชวงศ์มีโทษประหารด้วยกริชห้ามใครพูดเข้าข้างพระนางมสัสรีมิเช่นนั้นจะประหารทันที ส่วนองค์ครักนั้นได้ถูกสั่งประหารด้วยการขุดหลุมแล้วให้ลงไปนอนแล้วเอาก้อนหินกระหน่ำป่าลงไปจนตายนะคะพระนางมัสุรีถูกนำตัวมามัดไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งค่ะเพชฌคาดนั้นเมื่อเริ่มลงมือเอากริษแทงพระนางหลายครั้งด้วยน้ำตาแต่กริษก็ไม่สามารถระคายผิวของพระนางได้เลยพระนางก็เลยกล่าวบอกว่ากริดประจำตระกูลของพระนางเท่านั้นถึงจะฆ่าพระนางได้และกริดนั่นก็อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของข้าเอง พระมารดาได้ยินดังนั้นค่ะก็เลยสั่งให้เพชคฆาตเนี่ยไปเอากริดประจําตระกูลของพระนางตามที่พระนางบอกทางด้านพ่อแม่ของพระนางนะคะเมื่อมีคนไปเอากริดประจําตระกูลนะคะก็ให้แต่โดยดีค่ะด้วยเพระาะทราบดีว่าคงจะเป็นพระประสงค์ของพระนางมัสุรีที่จะกู้ศักดิ์ศรีและแสดงความบริสุทธิ์แม้ต้องแลกชีวิตก็ตามนะคะก่อนที่เพชฆาตจะลงมือประหาร พระนางมัุรีก็เลยกล่าวไว้ดังนี้นะคะบอกว่าฟ้าดินเป็นพยานข้านี้ถูกใส่ร้ายข้ามีเคยคบชู้สู่ชายแต่อย่างใดหากข้าไม่ผิดขอให้โลหิตของข้าเป็นสีขาวและขออย่าให้โลหิตของข้าหลั่งลงบนพื้นดินฟ้าดินเป็นพยานสิ้นคากล่าวของพระนางเพชรฆาตก็ลงมือเอา ปักลงไปที่คอเสียงร้องของพระนางดังไปทั่วบริเวณค่ะเลือดสีขาวของพระนางพุ่งขึ้นเหมือนร่มโดยที่ไม่ตกลงมาพื้นแม้แต่หยดเดียวหันไปมองบุตรตัวน้อยวัย3เดือนที่ร้องเสียงดังเหมือนกำลังรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ก่อนใจก่อนที่พระนางจะสิ้นใจนะคะพระนางก็ได้อ้อนวอนบอกขอกอดลูกขอให้นมลูกเป็นครั้งสุดท้ายต่อพระมารดาแม่ผัวผู้ใจดา แต่ว่าพระมารดาก็ไม่ยินยอมค่ะพระนางจึงสาบแช่งไว้ว่าหากนางเป็นผู้บริสุทธิ์มันผู้ใดที่อยู่บนเกาะลังกาวีจงประสบทุกข์เข็นนานตราบเจ็ดชั่วโคตและบอกพ่อกับแม่ของตนให้เอากล้วยน้ำว้าป้อนลูกของตนแทนนมแล้วก็สิ้นใจต า, ตายไปนะคะ ทางด้านของวันดารุธเองคุณผู้ฟังขณะที่อยู่กลางท้องทะเลก็นิมิตเห็นภาพของพระนางมัสุรีเนี่ยเหมือนมาลาจึงประกาศนะคะหากใครทําอันตรายพระนางมัสุรีจะฆ่าตายให้หมดพร้อมกับเดินทางกลับในทันทีเมื่อมาถึงเกาะค่ะสภาพของเกาะเมืองกาวีนะคะก็เหมือนเกาะร้ า, รางแทนที่จะมีเสียงของประชาชนเข้ามาล้อมมโหดร้องต้อนรับเหมือนวีราบรุษเช่นทุกครั้งแต่กลับเงียบเชียบเหมือนเมืองร้างค่ะผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมด เมื่อกลับไปที่วังก็ได้ร้องเรียกหาพระนางมัุรีและก็ลูกแต่ก็ไม่พบนะคะก็ใจหายแล้วค่ะก็เลยไปหาที่บ้านพ่อตาแม่ยายเมื่อย่างก้าวเข้าบริเวณบ้านความรู้สึกเศร้าระ ง, งมไปทั่วแต่ก็กลับดีใจที่ได้ยินเสียงร้องของเด็ก เมื่อขึ้นไปดูก็เห็นแต่ลูกค่ะแล้วก็ทราบข่าวการตายของแม่นางออของพระนางมัสซุรีจากพ่อตาแม่ยายวรนดารุษเสียใจมากเพราะคิดไม่ถึงว่าพระมานดาจะมาฆ่าและทําลายพระนางมัสซุรีคนที่ตนรักได้อย่างโหดเหี้ยมได้ลงคอพระองค์จึงตัดสินใจสละสิทธิ์รัชทายาทราชบัลลังก์แล้วหอบลูกและก็กริดกลับไปยังบ้านเกิดของพระนางมัสซุรีก็คือที่ภูเก็ตประเทศไทยนะคะส่วนพระมานดาของวรรดารุษนะคะเมื่อสิ้นชีวิต พระศพก็ไม่สามารถฝังที่ใดได้เลยบนเกาะลังกาวีไม่ว่าจะเป็นการไปฝังที่ใดก็ตามทรายก็จะดันขึ้นมาเสมอจนกระทั่งต้องไปอ ท, ทําพิธีบนบานที่สุสานของพระนางมัุรีนะคะจึงสามารถนำพระศพไปฝังไว้ที่บริเวณหาดทรายแล้วก็สีของหาดทรายที่เกาะลังกาวีเนี่ยก็เป็นสีดำในทันทีหลังจากที่ฝังเสร็จนั่นเองค่ะ หมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังคลิปของเราด้วยวันนี้หากพูดจางหรือว่าใช้คําศัพท์ได้ผิดพลาดไปก็กราบขออาภัยคุณผู้ฟังมาณที่นี้และอย่าลืมนะคะให้กําลังใจแล้วก็เมตากับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราหรือว่าใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับเราก็มีอยู่2ช่องทางค่ะช่องทางแรกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ช่องทางที่2ที่แฟนเพจนะคะบนเฟ เวอร์ไวเว็บดอทเฟ o o ุ๊กพระเจอผีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ